ี่เราเรียนไปได้ไดกี่ติกาแล้วนะติกาที่หนึ่งคือโลกิยะโลกุตระโลกิยะและโลกุตระคู่กันสุรที่สสัตตาทิฐานธรรมมาทิฐานแล้วก็สัตตะธรรมมาทิฐานนี่ก็ยานสูตรยยายสูตรเนี่มาขึ้นยานยยายสูตร ยานะก็คือความรู้คือปัญญาญยาญยะก็คือสิ่งที่ควรรู้นะ <c oughs> สิ่งที่ควรรู้มาดูสิ่งที่ควรรู้ในหน้าสองร้อยย้อนหน้าล่างๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง <c oughs> วิญญาณไม่เที่ยงนี้ปัญญายะเนี่ย นี้เป็นยยะคือเป็นสิ่งที่ควรรู้ความที่รูปเป็นของที่ไม่เที่ยงก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ความที่เวทนาเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นสิ่งที่ควรรู้สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้ก็เป็นโมหะถ้ารู้ก็เป็นปัญญาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ เมื่อใดที่ไหนอย่างไรรูปก็ไม่เที่ยงวันยังค่ำเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ก็คือความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะว่ารู้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน การรู้ความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนำมาซึ่งอมตะสุขเจงการรู้ถึงความไม่เที่ยงอย่างไม่ใช่รู้เพื่อความทุกข์แต่รู้เพื่อความสุขเพื่อบรรลุถึงธรรมที่สูงสุดอริยสาวกเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ความรู้เป็นอะไรเป็นปัญญาใช่ไหมรู้เห็นเนี่ยเป็นปัญญาชานาติปัสติรู้เห็นอย่างนี้ เชื่อว่าย่อมเห็นรูปว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นเวทนาว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นสัญญาว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นวิญญาณว่าไม่เที่ยงอันนี้เป็นญาณะเป็นปัญญาเป็นญาณะเป็นปัญญาเป็นความรู้ความรู้ที่ยังถึงว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงคือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตัวความรู้กับสิ่งที่ควรรู้ นะครับว่าญายะคือความรู้ญายะคือความรู้ญายะสิ่งที่ควรรู้เจริญความรู้เพื่อรู้สิ่งที่ควรรู้เนะเรากล่าวว่าอริยสาวกนั้นย่อมพ้นจา ก, กรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณย่อมพ้นจากทุกผู้ที่พ้นจากขันห้าก็คือพ้นจากทุกข์นี้ชื่อว่าญาณะญาญสูตร กล่าวถึงทั้งสองอย่างกล่าวถึงขันท่าและความรู้ฉนั้นความรู้ว่าความรู้ตัวนี้ก็คือปัญญาปัญญาตัวนี้ก็คืออนุปัสนาอนุปัสนาที่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเจริญขณะเดียวกันเนี่ยความรู้เหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ควรรู้ความรู้ก็เกิดไม่ได้ความรู้เกิดได้ก็เนื่องจากว่ามีสิ่งที่ควรรู้ สิ่งที่ควรรู้ก็คือความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งที่ควรรู้เหล่านี้ทําให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความรู้คือปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมัคควัตคถาธรรมบทว่าสเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเอสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นญายั เป็นยสูตรบทนี้เนี่ยเป็นยยะเป็นสิ่งที่ควรรู้พระพุทธพจน์บทว่ายะถาปัญญายะปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาอันนี้เป็นญาณนะเป็นความรู้พระพุทธพจน์บทาว่าอัฐาไิพินติทุกเขเอสามโควิสุธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกขความเบื่อหน่ายในวัตทุกขนี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอันนี้เป็นญาณนะยยสูตรเป็นทั้งญาณนะเป็นทั้งยยะ ตัวอีกครั้งหนึ่งพุทธพจน์ในค า, าถาธรรมบทที่บอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอย่างนี้เขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตถทุกขความเบื่อหน่ายในวัตถุทุกนี่แหละเป็นเหตุหรือเป็นทางให้บรรลุพระนิพพานเอสัมัคโควิสุทธยิย ม, าามาัคขมคโคตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของหนทางเพื่อให้แทงตลอดพระนิพพานนั้นการเห็นสังขารไม่เที่ยงอันนีเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันนี้ ที่บอกว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นอย่างไรนะ ก, ก็คือมันมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดที่สุดของสังขารทุกชนิดคือไม่เที่ยงและสังขารทุกชนิดตาวากาลิกะเป็นของชั่วคราวเป็นของชั่วคราวและสังขารทุกชนิดมีขณะเล็กน้อยมีขนาเล็กน้อยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้จากสังขารทุกชนิด ความที่สังขารไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดความที่สังขารมีอายุแค่เท่านั้นแหละมีสังขานี่มีขณะเล็กน้อยไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นเลยผู้ใดที่มีปัญญาเห็นแบบนี้นะความที่สังขารไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควรรู้ความรู้ถึงความไม่เที่ยงเหล่านี้เนี่ยนะเป็นวิปัสนาั้นความวิปัสนาญาณที่เห็นสังขารไม่เที่ยง อาา น, นิพินติเนี่ยนะไออ น, นิจานุปัสนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมอย่างนิพิถานุปัสนาให้บริบูรณ์ถ้าเจริญอา น, นิจานุปัสนาถ้าเห็นความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกเนี่ยนะเบื่อหน่ายในวัตถะทั้งหมดเลยความเบื่อหน่ายในวัตถะนั่นแหละเป็นทางให้บรรลุอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้แจ้งพระนิพพานพระอริย นิพพานุปัสนาอริยมัตลอดจนถึงนิพานนพานนิพพานนี่เป็นยยะเป็นสิ่งที่ควรรู้การรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานเป็นญาณนะเพราะความรู้ที่เห็นพระนิพพานความรู้ที่เบื่อน่ายอาริยมัตเป็นญาณนะส่วนพระนิพพานเป็นยยะคือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็มาแบ่งสามออสองคำนใช่มญาณนะยยะญาณนะแล้วก็ญาณนะยย ะ, ยะตัว สิ่งที่ควรรู้ตัวความรู้ทั้งความรู้และสิ่งที่ควรรู้พุทธพจน์อีกคาถาหนึ่งว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เห็นควรรู้มากว่าสังขารเป็นทุกข์เนี่ยก็คืออภินาสัมปติปีรนัตเถนะหมายคือว่าปกติแล้วสังขารเนี่ยนะมีลักษณะที่เบียดเบียนบีบคั้นอยู่บ่อยๆอ ย, อยู่เนือง อภินาถเนี่ยบ่อยๆเนืองๆปกติว่างั้นเถอะปกติของสังขารทุกชนิดปีละนะเบียดเบียนขยะขยะนั่นแหละแปลว่าสิ้นไปแล้วก็เป็นสภาพที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกองทุกข์ทั้งหลาย <c oughs> ความที่สังขารเนี่ยนะเป็นทุกข์สังขารทุกชนิดเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนบีนบคัน เพราะสิ้นไปเพราะเสื่อมไปเพราะปฏิเสธความสุขที่แท้จริงอยู่ในสังขารเหล่านั้นความเป็นจริงของสังขารแบบนี้ควรรู้ ย, าย่าควรรู้จริงๆควรรู้ควรเห็นว่าสังขารทุกชนิดปีลณนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็เพราะมันไม่เที่ยงจรจงอ น, นิจจังกับทุกขังไม่ได้ต่างกันโดยอัถแต่ต่างกันโดยพยัญชนะ บทว่ายะถาปัญญายะปสติถ้าหากว่าผู้ที่รู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือความไม่ความเบียดเบียนบีบขั้นความสิ้นนะความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆความเห็นอันนั้นเป็นปัญญาอาทะนิพินติตุเขสัมโควิสุทิยาถ้าเห็นอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในวัตฏะทุกข์ความเบื่อหน่ายในวัตฏทุกข์นี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนะ ย่อมเบื่อหน่ายกับความเบื่อหน่ายเป็นเหตุอันนี้เป็นญาณนะนิพานเป็นญายะฉนั้นถ้าเห็นสังขารเป็นทุกข์ด้วยวิปั ส, สนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายความรู้ความเห็นความเบื่อหน่ายเหล่านี้เป็นญาณนะแล้วก็จะทําให้แจ้งพระนิพานอันนั้นเป็นญายะอีกคาถาหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธรรมมาอนัตตา ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี้เป็นยัยะพระพุทธพจน์ว่ายะถาปัญญายะปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญานี้เป็นญาณะนะพระพุทธพจน์บดว่าอัฐนิปินติดุเขเอสมะมโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุก์ความเบื่อหน่ายในวัตทุกขนี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานันนะีความที่สังขารทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะอนัตตานี้แปลว่าอะไร สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาก็เราต้องดูแลสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยที่ไม่มีอำนาจทําให้เที่ยงได้ไม่มีอำนาจทําให้สุขได้ที่แท้จริงนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอะไรนี่แหละเรียกว่าอนัตตาเพราะมันเป็นปรตโตนะนะซึ่งทําอะไรไม่ได้เลยไอ้คาว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ยคือทําให้มันเที่ยงก่อไม่ได้ทําให้เป็นสุขที่แท้จริงก่อไม่ได้ จัดการไม่ได้อะไรเลยก็เลยเรียกว่าปรตโต้ผลสังขารอยู่ในฝ่ายอื่นมันอยู่ในฝ่ายแห่งความไม่เที่ยงมันอยู่ในฝ่ายแห่งความเป็นทุกข์ความที่สังขารเหล่านี้อยู่ในกลุ่มแห่งความไม่เที่ยงอยู่ในแวดวงแห่งความเป็นทุกข์สังขารทุกชนิดเหล่านี้จึงเป็นปรตโตอนตานะอนตาก็คือปรตโตเป็นพวกอื่นเหมือนกับว่าให้เราดูแลแต่เราไม่มีอานาจอะไรเลยเนี่ย แม้กระว่าเอาเด็กที่ป่วยก็ป่วยปานนั้นนะเรื่องก็เรื่องมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรแล้วให้ดูให้อยู่ดูแลให้อยู่อย่างนั้นแหละถามว่าดีไหมอะไรเงก็เดือดร้อนฉันใดนี่ก็เหมือนการสังหารทั้งหลายเขาเออเข้าไปทำทั้งหลายเขาเป็นอนัตตาเพราะเขาไม่เที่ยงและเขาเป็นทุกข์เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อความเที่ยงเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อความสุขที่แท้จริงเพรา ะ, ะนั้นเขาจึงอยู่ในฝักฝ่ายฝ่ายอื่น ขณะเดียวกันก็ตดชตัตโตตดโฉนั่นแหละว่างไม่มีอะไรเป็นแกนสารสาระที่แท้จริงเหมือนอะไรนะเหมือนอย่างว่าบุคคลเมื่อฝันฝันเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาสิ่งนั้นก็กลายเป็นของว่างเปล่าชั้นใดของพวกเราที่นั่งอยู่นี่นะฝันว่าเคยเป็นเด็กชายเด็กหญิงเอาก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่แล้วเาเคยฝันมันสิ่งเราเนี่เรียกว่าว่างเปล่าตดโฉ เคยมีเดี๋ยวต่อไปเนี้ยก็เคยมีอะไรคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณทวดเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีอีกแล้วตุชตาแต่ตุชโตเนี้ยนะถึงความว่างเปล่าสุญญโตอนัตตาเนี้ยนะความหมายของคำความหมายของเขามีหลายอย่างปรตโตตุชโตสุญญโตอาสารกโตเนี้ยนะอาสาราโตคือหมายความว่าสุญญโตคือว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอตาัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา แล้วก็อาศาระกะโตไม่มีสาระที่แท้จริงพระองค์อุปมาเหมือนว่าเหมือนต้นกล้วยเหมือนอะไต้นกล้วยพยับแดดเป็นต้นเนี่นี่คือความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาแล้วใครจะไปทําให้เป็นอาัตตาก็ไม่ได้ทํำยังไงก็ทําให้เป็นอัตตาไม่ได้เว้นแต่สําคัญผิดไปเองว่าเป็น อนาตตาเพราะเมื่อใดเมื่อใดเขาก็เป็นอนาตตาวันยังค่าเมื่อใดสังขารก็ไม่เที่ยงวันยังคำ่ำเมื่อใดสังขารก็เป็นทุกวันยังค่าเมื่อใดทั้งสังคตะอสังคตะก็เป็นอนาตตาอยู่อย่างนี้วันยังค่าเพราะฉะนั้นควรรู้ในสภาพความเป็นอนาตตาของสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นอนาตตานั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะเรียกว่ายาเยะเป็นสิ่งที่ควรรู้รู้ในความเป็นอนาตตาของเขาควรรู้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่รู้ อะไรเกิดขึ้นก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความเห็นผิดไปเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเข้าถ้าเห็นว่าเป็นอัตตาก็เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายในเป็นพวกเราเป็นเหมือนกับมีสาระเหมือนกับว่าเป็นของที่มีแก่นสารทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็อย่างที่ว่าถ้าผู้ใดตามเห็นแต่สังขารว่าเที่ยงตามเห็นแต่สังขารว่าเป็นโศกตามเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะเท่ากับเจริญอะไร ก็เจริญวิปัาสถ้าเจริญวิปัสสาและอะไรถ้าตัณหาเกิดอะไรเกิดต่อมาอุปาทานก็เป็นเหตุแห่งอุปาทานก็เป็นเหตุแห่งภพภพก็เป็นเหตุแห่งชาติชาติก็เป็นเหตุแห่งชราและมรณะถ้าตรงกันข้ามถ้าเห็นว่าสังขารเป็นไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้จริงๆเห็นตามพระพุทธเจ้าถ้าเห็นตามนั้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคือเพราะเขาอย่างไหนเขาก็เป็นอย่างนี้วันอย่างค่ำเขาจึงประกาศตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็น อนัตตานะเมื่อเขาประกาศตัวเขาเองว่าเป็นอนัตตาเนี่ยควรรู้ยิ่งตามที่เขาประกาศตัวเองตัวความรู้ที่เข้าไปเห็นโดยสภาพเป็นอนัตตาอันนี้เป็นญาณนะนนเข้าไปเห็นในความเป็นอนัตตาอย่าลืมว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำพูดระดับระดับไหนระดับปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์นะเป็นความพูดระดับปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ ซึ่งก็เป็นวิสุธทธิระดับสูงเนี่ยนะผู้ที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดบรรลุอริยมรรคดังที่กล่าวไปนี่เป็นคําพูดในระดับสูงเนี่ยนะเป็นคําพูดของผู้ที่จะน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดทีนี้เบื้องต้นก็ต้องฐานคือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณาวิสุทธิมัคคามัคคะอย่างนัทธสนวิสุทธิเนี่ยดีอยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะว่าพระพุทธพจน์เหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุที่มีปกติเจริญอ น, นิจจานุปัสสนามีปกติเจริญทุกขานุปัสสนามีปกติเจริญอนัตตานุปัสสนาท่านเหล่านี้ฟังเนี่ยนะสค า, าถาเนี่ยนะสมคาถาเนี่ยสาย่อนหน้านี้บรรลุพันห้ารอสมัยพุทธกาลอันนี้เหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละ สรุปทบทวนว่าสังขารไม่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นยายะเป็นสิ่งที่ควรรู้ส่วนความรู้โดยความตัวปัญญาที่เรียกว่าอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาเป็นญานะเป็นญานะเป็นวิชาเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่เข้าไปเห็นส่วน เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงอะนะอย่างว่าถ้าอ น, นิจจานุปัสสนาบริบูรณ์ทุกขานุปัสสนาบริบูรณ์อนัตตานุปัสสนาบริบูรณ์ย่อมอย่างนิพพิทานุปัสสนาให้บริบูรณ์เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะความเบื่อหน่ายเป็นเหตุให้เกิเกดอริยมรรคอริยมรรคนั่นแหละทํากิจทําให้แจ้งพระนิพพานเพราะความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ของสังขารความ เป็นอนัตตาของธรรมทั้งปวงตลอดจนถึงพระนิพพานอันนี้เป็นยญาเป็นสิ่งที่ควรรู้ส่วนปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่เบื่อหน่ายปัญญาที่เป็นอริยมรรคอันนี้เป็นญาณะกันให้จะรู้พระสูตรพระองค์บางบางพุทธพจน์เนี่ยบอกให้ว่านี่ญาณนะนี่เป็นยญานะนี่ควรควรรู้นะนี่ควรรู้นะนี่คือตัวความรู้ถ้ามีความรู้ต้องเห็นอย่างนี้นะ สิ่งที่ควรรู้มันเป็นอย่างนี้ความรู้ต้องเป็นอย่างนี้นะนั่นก็ชี้ชัดมากอ่ะนะอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโซนนะก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งพิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเรานี่เสมอเขาหรือพิจารณาเห็นว่าเรานี่ด้อดยกว่าเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบว่าดีกว่าเส ม, มอหรือว่าด้อยกว่ า, อ, าอะไร ก็เอารูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความผันแปรเป็นธรรมดานี่แหละมาเป็นเครื่องตามเห็นไอ้คาว่าพิจารณาเห็นตัวนั้นเนี่ยเป็นมานะนะตัวมานะนี่แหละที่บอกว่าเราที่ดีกว่าเรานี่เสมอเขาเรานี่ด้อยกว่าเขาด้วยอะไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบเครื่องแข่งกันก็เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมาแข่งกันนะ การเปรียบเทียบเหล่านี้เนี่ยนะก็เอารูปเช่นเอาผมเนี่ยมาแข่งกันว่าเรานี่ผมเราดีกว่าเขาผมเรานี่เสมอเขาผมของเรานี่เลวกว่าเขาผิวของเราเนี่ดีกว่าเขาผิวของเราเนี่ยเลวกว่าเขาผิวของเราก็พอๆกับเขาเรานี่สูงกว่าเขาเรานี่เสมอกเขาเรานี่ต่ํากว่าเขาเป็นต้นก็เอารูปหรือเขามีความสุขกว่าเราเรามีความสุขกว่าเขาเนี่ยเป็นต้นก็เอาความสุขเอาสัญญาเอาสังขารเอาวิญญาณเนี่ยมาแข่งกันนะ แข่งด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ไรที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรหรอกที่เอาขันห้ามาแข่งกันเพราะอะไรรูไหมนอกจากการไม่เห็นตามความเป็นจริงก็แปลว่านอกจากความโง่เขลาจะมีอะไรที่จะเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดามาแข่งกันจะมีอะไรนอกจากการไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาถ้ารูปแปรผันเนี่ยอะไรแปรตามด้วยใจก็แปรตามด้วยความยึดถือก็แปรตามด้วยถ้าเวทนาแปรไปเนี่ยนะความยึดถือก็แปรตามไปด้วย ถ้าสัญญาสังขารวิญญาณแปรไปความยึดถือทั้งหลายก็แปรไปด้วยเพราะนั้นพระองค์บอกว่าจะมีอะไรนาะที่ที่จะเอามาแข่งกันนอกจากเอาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแข่งกันก็เอารูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุ ก, เ ป, ทกเป็นอนัตตานี่ยแหละมาแข่งกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดามาแข่งกันเป็นอย่างนี้นอกอจากอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจ นอกจากไม่เห็นทุกขสัจจะในอุปาทานขันท่านอกจากเห็นความนอกจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความเป็นทุกข์ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเพราะการที่พระองค์พูดอย่างนี้พูดให้เพื่ออะไรพูดเพื่อยาแยเพื่อรู้ยิ่งเพื่อให้เกิดความรู้เพราะเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรรู้เอาไว้เถอะว่าคนที่เขามีมานะแข่งกันว่าเรานี่ดีกว่าเขาเรานี่เสมอเข้าเราเร็วกว่าเขา ก็ เ, เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่แหละมาแข่งกันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเขารู้ตามความเป็นจริงว่าขันห้าไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแปรผันเป็นธรรมดาด้วยจะเอาอะไรมาสาคัญว่าดีกว่าเสมอเขาแล้วก็ร่อยกว่าเขา พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูก่อนโซนะก็สมณะหรือพรามเราใดเราหนึ่งไม่พิจารณาเห็นเราดีกว we er. ่าเขาไม่พิจารณาเห็นว่าเราน้เสมอเขาไม่พิจารณาเห็นว่าเรานิด้อยกว่าเขาด้วยรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่พิจารณาเห็นว่าเราดีกว่าเขาไม่พิจารณาเห็นว่าเราเสมอเขาไม่พิจารณาเห็นว่าเรานิด้อยกว่าเขาด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการเห็นตามความเป็นจริงนะนอกจากมีปัญญาเห็นตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้เป็นญาณ น, นะคำพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าคนที่เอาขันห้ามาแข่งว่าเราดีกว่าเราเสมอเขาหรือเราด้อยกว่าเขาเนี่ยนะก็เอาขันห้าพระพุทธเจ้าไม่ให้ให้ไป ใ, ใ, ให้ไปปฏิบัติแบบนั้น แต่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้แบบนั้นว่านี่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะที่เขาแข่งกันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ถ้าเข้าไปรู้ยิ่งแล้วจะแข่งไหมเพราะตัวยานะเนี่ยนะยานะสูตรสูตรที่เป็นญาณะบอกว่าถ้ามีความรู้ตามนี้ก็ไม่แข่งเพราะอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นเอ่อความเป็นสิ่งที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาของ ขันห้าเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นของขันห้าด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะว่าดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเรานี่ด้อยกว่าเขาเนี่ยนะจริงนะแข่งก็มีอะไรนอกจากเอาขันห้ามาแข่งกันเอาขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนไปเป็นธรรมดามาแข่งกันนั่นแหละ อันนี้ก็จบแลยนะยาณะยายาสูตรนี่มาขึ้นอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าทัศนสูตรทัศนนี้แปลว่าความเห็นสูตรที่กล่าวถึงความเห็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างก็ไม่ถือเอากําเนิดในภพที่แปด อันนี้มาจากสูตรไหนพุทธพจน์นี้มาจากรัตนสูตรรัตนสูตรที่พระองค์ตรัสที่เมืองไผ่าลีนะว่าพระโสดาบันเนี่ยนะผู้ที่เห็นอริยสัจผู้ที่เห็นอริยสัจแทงตลอดอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเห็นอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาลึกซึ้งเนี่ยแสดงเอาไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจแสดงทั้งโดยโย่แสดงทั้ง โดยพิสดารเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงทั้งโดยย่อโดยพิสดารพระโสดาบันก็เห็นแจ้งตามถึงท่านเหล่านั้นจะประมาทบ้างก็ไม่เกิดในภพที่แดอีกไม่มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ในภพที่แดอีกถามว่าทำไมท่านจึงประมาทไปบ้างเช่นท่านบอกว่าเทวราชาราชาแล้วว่าเทวเทวราชอ่ะไนงะก็เป็นเทวด า, เ, าเป็นพระราชาในหมู่เทวดาทั้งหลาย ผนี้กิจมากธุระมากเป็นพระโสราบันแล้วแต่ว่ามวัวแต่ทำกิจบริหารอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเจริญสัมมาณะธรรมเท่าที่ควรจะเป็นนะเนี่ก็มวัวแต่ใส่ใจโดยวิปป่าซสะส่วนใหญ่แล้วก็เหล่านี้ก็จะประมาทหรือมาเป็นมนุษย์ก็มวัวแต่อะไรนะจักรวัติราชาก็คือเป็นพระราชาของหมู่มนุษย์เป็นบรมจกกักรพรรดิผู้สูงสุดนะปกครองแผ่นดิน ม, มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนะ ท่านเหล่านี้ก็มัวประมาทอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ถือเอาภพที่แปดอีกเพราะอะไรเพราะว่าโซดาปฏิมกรกเนี่ยนะมีคู่อ น, นุภาพมากอนุภาพของโซดาปฏิมร์ที่เรียกว่าทัศนมมร์เนี่ยยิ่งใหญ่ถึงขนาดประหารปฏิสนธิในภพที่แปดเสร็จแล้วนะประหารปฏิสนธิในภพที่แปดแล้ว อนุภาพของโสดาปฏิมาคเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียพระโสดาบันเนี่ยนะจะไม่ถือเอาปฏิสนธิในภพที่แปดในชาติที่เจ็ดเนี่ยนะท่านต้องบรรลุปเป็นท่าอรหรนันตนะ์แน่นอนเนี่ยนะแน่นอนเรียกว่าศัตรูธรรมมณียามเป็นความแน่นอนแห่งสัตรธรรมที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเห็นอริยสัจอันการเห็นอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นสิ่งที่ประเสริฐวิเศษสูงสุดแต่ขนาดนั้นในอริยสัจคนกลับไม่ค่อยชอบฟัง อันนั้ไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าแก่แล้วเนี่ยถ้าบอกว่าพูดตรงกันข้ามกับแกเนี่ยนะฟังอู้เพราะมากแต่ว่าบอกตามความเป็นจริงอะฟังไม่ค่อยได้ทําใจไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะรู้เห็นความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าก็บอกอะไรนะบอกไปลดอายุให้เราสักสิปีเข้าเนี่โอ้ดีใจยิ้มแป้เลยใช่ไหมแต่ไปพูดเกินความจริงสักสิปีเนี่ยแมเศร้าใจเลยนะแทบจะทะเลาะกันให้ได้ถือดีอะไรมาบอกความจริงอันนี้ขึ้นนั้นถ้ามีปัญญารู้เห็นความเป็นจริงเท่าใด โดยเฉพาะเห็นอริยสัจก็ตรัสรู้นะถ้าตรัสรู้ความเป็นจริงยังไงก็ไม่ถือเอาปฏิสนธิในภพที่แปดเนี่ยนะอย่างน้อยก็อยู่ในคันสักเจ็ดชาติก็ยังดีใช่ไหมพุทธพจน์อีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสในรัตนะสูตรว่าสัตว์บุรุษใดพิจารณาเห็นแจ้งอริยสัจเราเรียกสัตว์บุรุษนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดิน ไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศ ท, ทั้ง4ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอนุภาพของโสดาปฏิมารรพระโสดาบันบุคคลเนี่ยเช่นกับอะไรเช่นกับเสาเขื่อนที่ฝังเคยเห็นเสาเขื่อนไหเสาคำว่าเสาเขือ่อนก็คือเสาประตูเมืองอะเสาซุ้มประตูเมืองที่ยาว16ศอกแล้วก็ฝังลงเนี่ย8ดศอกโผล่ขึ้น8ศอกไม่หวั่นไหวจากลมทิศ ท, ทั้งสี่ชั้นใดผู้ที่เห็นแจ้งอริยสัจ จะไม่หวนไวนหว ใ, ในลมปากของเดรธีฉันนั้นจะไม่หวนไหวในลมปากของมิจฉาทิฐิบุคคลมิจฉาทิถิบุคคลจะไปบอกว่าสังขารเป็นเป็นของเที่ยงท่านไม่เห็นตามท่านไม่ไม่คิดอย่างนั้นหรือเห็นว่าสังขารเป็นอัตตาเป็นต้นท่านก็ไม่เห็นตามแบบนั้นเพราะท่านเป็นคนที่ไม่หวนไหวในลมปากมันจะให้ท่านปฏิเสธพระพุทธพจน์ไม่ได้จะให้ท่านปฏิเสธคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้ท่านปฏิเสธ ถ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ท่านปฏิเสธอริยมตรตอันประกอบไปด้วยองค์8ดท่านปฏิเสธไม่ได้ท่านพูดไม่ได้โดยประกาเยาวะพูดเลยคิดท่านยังคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอนุภาพของโสดาปฏิมตรตเนี่ยนะพันธพระสูตรบางสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นวันนี้เป็นความสามารถของโสดาปฏิมตรตนะเป็นคุณภาพของโสดาปฏิมตรตโสดาปฏิมตรตเนี่ยเป็นมตรตเห็นนะไม่ใช่มตรตเจริญ ม, มักเห็นในหมายความว่าอริยมักที่เห็นแต่ถ้าสกาชาคามีมักเป็นต้นไปเรียกว่ามักที่เจริญขึ้นเรียกว่าภาวนามักพรันในเบื้องแรกเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทําอะไรเลยพยายามทําความรู้ความเห็นทําความเข้าใจตามคําสอนให้มันดีที่สุดก่อนถ้าเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจตามคําสอนอย่างถูกต้องความผิดพลาดนี่จะเป็นไม่ได้ยากพะั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นตาม ให้เห็นตามว่าอะไรเป็นอะไรเนะเพราะว่าโสดาปฏิมักก็ยังเป็นทัศนมักใช่เป็นมักที่เห็นแต่สงคัญว่าเห็นอะไรเห็นอริยสัจนั่นเองอีกสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงคุณภาพของอริยของพระโซดาบันว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาปฏิมักสี่ประการหรือผู้ที่ประกอบด้วยโสดาปฏิยังฆธรรมสี่ประการเนี่ยนะ เมื่อต้องการพึงพยากรตนเองได้ว่าพูดได้เลยว่าเรานี่เป็นผู้หมดสิ้นนรกแล้วไม่เกิดในนรกอีกแล้วหมดสิ้นกำเนิดเดรัจฉานแล้วหมดสิ้นภูมิแห่งเปรตแล้วหมดสิ้นอบายทุขติวินิบาตนรกแล้วเรานี่เป็นพระโสดาบันมีสภาพมีความไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ตามธรรมนิยามจะได้บรรลุมรรคเบื้องบนสามภายหน้า เราท่องเที่ยวเร่ร่อนไปในหมู่เทวดาและมนุษย์อย่างมากอีกเจ็ดชาติก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ไดนะ้ถ้าประกอบด้วยองค์ประกอบสประการเนี่ยนะองค์แห่งโสดาปิบัต อ, องค์แห่งโสดาปฏิยังฆาธรรมหรือองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันสี่ประการเป็นไนะภิกษุทั้งหลายศรัทธาในพระพุทธเจ้าของพระอริยาสาวกในศาสนานี้อย่างลง ตั้งมั่นงอกงามมีรากฐานไม่งอนแง่นคลอนแคลนด้วยสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้คือศรัทธาของท่านผู้นี้ที่มีต่อพระพุทธเจา้าสมณะก็ทําให้งอนแง่นไม่ได้พรามณ์ก็ทําให้งอนแง่นไม่ได้เทวดาก็ทําให้งอนแง่นไม่ได้มารก็มาทําให้งอนแง่นไม่ได้พรหมก็มาทําให้งอนแง่นไม่ได้อะไรก็ไม่ทําให้ศรัทธาของท่านงอนแง่นงอนแง่งได้ เคเห็นอะไรที่มันเ ง, งี้ยไหมก็ลมที่พัดใบไผ่ไงลมที่พัดต้นไผ่ไงเอ้วยกทีโย ก, โยกซ้ายโยกขวายกหน้าโยกหลังคนที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไงพอก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีเอ๊ะชักเอะใจมั้งันะี่พูดหนึ่งครั้งอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าหล า, หลายครั้งเข้าไม่แน่